ให้ขี่ลงทะเลอย่าให้ตกค้างอยู่ในเมืองไทยคนไม่มีหลักมีเกณฑ์คนไม่รักชาติต้องเขี่ลงทะเลให้พวกที่เขารกชาติอยู่ในเมืองไทยที่รักชาติ